บางคนมีชะตาหน้าสงสารแต่มีความคิดหน้าอิจฉาขณะที่อีกหลายคนมีชะตาหน้าอิจฉาแต่กลับมีความคิดหน้าสงสารทุกเองเกิดจากการคิดไปเองความคิดสงสารตัวเองใกล้กันมากกับการสร้างภาพร้ายขึ้นมาเองบทบังภาพ ด, ดีที่มีอยู่จริงหรือกีดกันภาพดีด ไม่ให้เกิดขึ้นได้จริงความคิดสงสารตัวเองมักเกิดขึ้นในคนที่ชอบร้องขอให้ชะตาเปลี่ยนโดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดความคิดสงสารตัวเองจะลากจูงความทุกข์ทั้งโลกมาทับถมยิ่งคิดเองยิ่งทุกข์เองสงสารตัวเองเป็นทุกข์เองแล้วเรียกร้องให้คนรอบตัวปล่อยสงสารด้วยเป็นทุกข์ไปด้วย เป็นไปได้ยากมีสิทธิ์เหนื่อยเปล่าดั่นเพราะคนอื่นก็มีเรื่องให้ต้องเห็นใจตัวเองกันทั่วนหน้าอยู่แล้วโอกาสจะเจียดเวลามาคิดเห็นใจคนอื่นจึงมีอยู่น้อยหรืออาจไม่มีเลยถ้าให้เลือกคนทั้งโลกจะเลือกนั่งในใจคนมีความสุขเพื่อให้ตนเองพลอยได้สุขพลอยเดิบลืมตามไม่มีใครอยากยอมเสียเวลามานั่งในใจคนโอมทุก เพเพิ่มทุกข์ที่มีอยู่แล้วให้จมหนักลงไปอีกฉะนั้นจะเหนื่อยน้อยกว่าไหมหากหาทางเปลี่ยนวิธีคิดของตนเองให้เลิกสงสารตัวเองจนเลิกเป็นทุกข์ได้เองหลายคนแกล้งมองคนที่ด้อยกว่าและแกล้งคิดว่ายังมีคนอื่นน่าสงสารกว่าเลยเลิกสงสารตัวเองได้ครู่หนึ่งแต่เดี๋ยวเดียวก็ลืม เราไม่อาจฝืนนึกถึงคนด้อยกว่าได้ตลอดเวลาขณะที่หลุมดํากลางอกดึงดูดให้กลับมานึกถึงภาพร้ายของตนที่จริงบ้างสร้างขึ้นเองบ้างได้ตลอด24ชั่วโมงบางคนจับตามองคนที่ด้อยกว่าและคิดจริงจังว่าจะช่วยพวกเขาอย่างไรกับทั้งลงมือต่อเนื่องที่จะช่วยเขาเหล่านั้นทั้งแบบออกแรงกายและแบบออกแรงคิด จึงเลิกสงสารตัวเองได้ยืดยาวและก็ไม่ลืมเพราะเกิดหลุมเขาขึ้นกลางใจผลักดันความคิดให้พุ่งไปในทางเยียวยาคนอื่นกับทั้งสุขสมอภิรม์กับภาพดีๆที่เกิดขึ้นจริงๆเพิ่มขึ้นทุกวันน้อยคนเลิกมองคนที่เหนือกว่าและด้อยกว่าอันมารู้จริงๆว่าทั้งเหนือกว่าและด้อยกว่า ล้วนเป็นเพียงความรู้สึกลวงใจเกิดขึ้นให้รู้สึกครู่หนึ่งและผ่านหายเห็นถนัดว่าสงสารตัวเองคือทุกข์ทางใจครู่หนึ่งเลิกสงสารตัวเองคือสุขทางใจครู่หนึ่งแต่เดี๋ยวก็แวะเวียนวกวนกลับมาสงสารอีกเลิกสงสารอีกสงสารอีกเลิกสงสารอีกมืดบ้างสว่างบ้างดูได้บ้างดูไม่ได้บ้าง พยายามมีสติชั่วคราวกระทั่งเกิดสติยั่งยืนไม่ปล่อยให้ความรู้สึกวูบวาบไหนๆก่อภาพตัวตนให้คิดไปเองว่าภาพร้ายนี้คือเราน่าสงสารจังภาพดีๆนั้นคือฝันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงเลยเหลือแต่สติบริสุทธิ์กับจิตใสใจเบาที่รู้แจ้งยิ่งขึ้นเรื่อยๆว่าแม้ชะตาที่น่าสงสารจะมีจริง ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์หากไม่มีความคิดสงสารตัวเองให้ต้องเป็นทุกข์เกินจริง